ซึ่งมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะในอัตรกรถาท่านบอกว่าพวกน้ำเนี่ยนะน้าที่ท่อน้ำขนาดเท่าเท่าลำแขนเนี่ยนะหรือขนาดแข้งขนาดเท่าลำตาลน้ำเหล่านั้นที่เป็นท่อก็ตกมาจากอากาศแล้วก็สาต้นสาระที่อยู่ใกล้บริเวณ น, นั้นเนี่ยนะด้วยอนุภาพของเทวดาก็ไฟก็พุ่งออกมา น้ำหอมนานาชนิดที่บรรจุหม้อทองหม้อเงินเจ้ามาละเหล่านั้นก็เอามาดับเนี่ยนะมาเกลี่ยเสร็จแล้วก็เอาเอาดอกไม้เนี่ยนะด้วยไม้ที่ทําด้วยเงินด้วยทอง mm hmm. เมื่อไฟกําลังไม่จิตตกาทานอยู่นั้นแหละเปลวไฟก็พึ่งจะพุ่งขึ้นจากระหว่างเก่งคาคบใบของต้นสาระที่ยืนล้อมอยู่เก่งและใบดอกไม่มีไหมเลยไฟเนี่ยพุ่งออกก็จริงแต่ว่าไม่ต้นไม้ไม่ได้รับความร้อนอะไรเลย ทั้งหมดหมดแดงทั้งลิงทั้งสัตว์เล็กๆ ก, ก็ไปได้ในระหว่างเปลวไฟว่างั้นนะไม่ร้อนเลยนะเป็นไฟที่ไม่ไหม้มดเรียกว่ามดเดินใต่ไฟได้ว่างั้นนะธรรมดาท่อน้ำที่ตกจากอากาศก็ดีที่ออกจากต้นสาระก็ดีที่ชําแเรกแผ่นดินออกไปก็ดีขวนถือเอาเป็นประมาณพอดับจิตตะการาอย่างนี้แล้วเจ้ามาลละก็ให้ประพรมด้วยคำตาชาติสี่ชนิดที่สันทาคารโปรยดอกไม้เข้าตอก เป็นที่คำรบผ้าติดเพดานผ้าเอาไว้เบื้องบนขจิตด้วยดาวทองเป็นต้นห้อยพวงของหอมพวงมาลายัยพวงแก้วให้ล้อมม่านและเสือลำแพนไว้สองข้างตั้งแต่สันทาคารจนถึงมงคลศาลาที่ประดับศีรระกล่าวคือมะกุฏพันธนะแล้วก็ติดเพดานผ้าเอาไว้เบื้องบนขจิตด้วยดาวทองเป็นต้น ห้อยพวงมาลัยของหอมมาลัยพวงแก้วแม้ในที่นั้นให้ยกธงขึ้นห้าสีมีสีก้ามนมณีและไม้ไผ่ล้อมธงชายได้ลงประตากไว้โดยรอบตั้งต้นกล้วยหม้อบรรจุน้ําไว้เต็มในที่ถนนอันรดด้วยน้ําเกลี้ยงกล่าวตามประทีปมีด้ามวางรางทองพร้อมทั้งพระาธาตุไว้บนขอช้างที่ประดับแล้วบูชาด้วยมาลัยของหอมเล่นสาธุกีฬาเสร็จแล้วก็นําเข้าไปในภายภายในพระนครแว้วนํานพระาธาตุเข้าไปในเมือง วางไว้บนรัตนบันลังที่ทำด้วยรัตนเจ็ดประการณสันทาคารตั้งกั้นเวตชัรเอาไว้เบื้องบนกระทำอย่างนี้แล้วเจ้ามมละเมืองกุสินาราก็ให้ทหารถือหอกเป็นลูกกรงให้ทหารถือธนูเป็นกำแพงล้อมที่สันทาคารบูชาพระสริระ ข, ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการฟ้อนรําขับร้องประโคมด้วยดอ ก, ดอกไม้พวงมาลัยของหอมเจ็ดวันเนี่ยนะเรียกว่าจัดกองทัพเรียงสวมเกราะ กาต้องกันอย่างดีเลยชนิดที่เรียกว่านกก็ไม่ให้บินผ่านมาทิโฉบเอาไปนั่นนะทีนี้ถามว่าทําไมเจ้ามาละเนี่ยจึงมาทําบุญบูชาพิเศษท่านบอกว่าสัปดาห์สองสัปดาห์แรกก่อนหน้านี้เจ้ามาละเหล่านั้นเนี่ยมัวแต่จัดที่นั่งที่ยืนสําหรับภิกษุสงฆ์จะมาจัดอาหารเคี้ยวของเคี้ยวของฉันถวายก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้มาทําสาธุกีฬาไม่ได้มาบูชาอย่างที่ใจอยากจะบูชา พอทำกิจเสร็จแล้วก็บูชาอย่างที่อยากจะบูชาตลอดเจ็ดสัปดาห์ทีนี้ระหว่างบูชาพวกเจ้าเหล่านี้ก็มาคิดว่าแม้ใครใครรู้ว่าพวกเราประมาทก็มายึดเอาพระธาตุมาขโมยเอาพระธาตุไปหมดเนี่ยนะเป็นฐานะที่จะมีได้ก็เลยจัดกองรักษาการเนี่ยนะเรียก ว, ว่าตั้งกองทัพมาเพื่อรักษาพระธาตุเลยทีนี้ฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะพระเจ้าอาชาติศัตรู เมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยขึ้นทรงทราบเรื่องแล้วได้ยินว่าเหล่าอมตะของเท้าเธอครั้งแรกทีเดียวคิดว่าธรรมดาภะศาสดาปริณีผ่านแล้วใครใครก็ไม่อาจนำพระองค์มาได้อีกแต่ก็ไม่มีผู้เสมอเหมือนกับพระราชาของเราด้วยศรัทธาของปุตตุชนปุตุชนที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ไม่มีใครเกินพระเจ้ า, าชาตศัตรูอีกแล้วพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่ยเลื่อมใสมีความรักในพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเรียกว่าสุดซึ้งว่า ง, งั้นซึ้งขนาดไหนมาดูแล้วกันถ้าพระราชาพระองค์นี้สดับพูดแบบง่ายๆตรงๆว่าพระองค์ปรินิพานแล้วใจของเท้าเธอต้องแตกหัวใจวายตายแน่ว่า ง, งั้นน่ะ น, นะรักพระพุทธเจ้ามากขนาดนั้นนะฟังไม่ได้เลยฟังคำว่าทําลายไม่ได้หัวใจวายเลย แต่พวกเราควรจะรักษาพระราชาเอาไว้ดังนี้พระราชาเหล่านั้นอัมมาศก็เลยให้นำรางทองมาสามรางเรียกว่าเป็นรางทองนะบรรจุของอร่อยๆไว้เต็มเสร็จแล้วก็นาพระราชามายังสานักกราบทูลวาเทวะนะพวกข้าพระองค์ฝันไปเพราะฉะนั้นความฝันอันนี้พระองค์ควรจะทรงภาพเปลือกไม้สองชั้นแล้วก็บันทมในรางที่เต็มไปด้วยของอร่อยๆสี่อย่าง พอที่นาสิกคือจมูกโผล่กันนั้นไม่ต้องใครว่านอนจุ่มแช่เลยเหมือนั้นแช่อะไรแช่น้ําเย็นของหอมแต่จะเย็นจะเยือกหน่อยนะเพื่ออะไรเพื่อขจัดความฝันคือฝันร้ายมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นพระองค์ต้องแก้เคล็ดแบบเนี้ยวิธีแก้เคล็ดให้พระราชาก็เชื่อก็เลยพระราชาพอฟังคําอํามาตพระหวังดีก็รับสั่งเออเอาสิเอาสิอันน้ไม่ขัดคอนะก็ไปนอนแช่น้ําสบาย อามาตผู้หนึ่งก็เปลื่องเครื่องประดับสยายผมผินหน้าไปทางศาสดาปรินิพานยกมือท่วมประคองอัญชลีกราบทูลพระราชาว่าพระเจ้าค้าขึ้นเชื่อว่าสัตว์ผู้หลุดพ้นจากความตายหามีไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เจริญด้วยพระชนมายุเป็นเ จ, เจติยสถานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญด้วยอายุเป็นเจดีสถานเป็นบุญยเขตเป็นแท่นอภิเศกเป็นภาษาศรัทาของเราทั้งหลาย พระองค์ปรินิพานแล้วณนะกรุงกุสินาราประราชาพอฟังได้ยินอย่างนั้นก็สลบเลยวิสันยีภาพสลบเลยก็เรียกว่าปล่อยไออ่นในรางที่เต็มไปด้วยของอร่อยอย่างสี่อย่างนั่นนะร่างกะก็เรียกว่ามันแหม ม, มันระบายความร้อนออกมาเต็มที่ว่างั้นเถอะเรียกว่าคข้ขึ้นชนิดที่เรียกวไม่ใช่ขึ้นธรรมดาขึ้นจนเป็นลมอ่ะนะก็เรียกว่าไออุ่นเนี้ยออกมาในรางนั้นเลยอ่ะคือจริงๆแล้วพระเจ้าชาติศัตรูเป็นคนที่มีพลังกาลังมากเป็นคนที่แข็งแรงมากอ่ะนะ แตกก็โดดขึ้นได้สิบแปดศอกอ่ะเป็นอย่างน้อยเนี่ยกระโดดได้เก้าเมตรอ่ะกระโดดได้เป็นเก้าเมตรสิบเมตรเน่ยแข็งแรงขนาดนั้นนะแข็งแรงมากเลยมันเป็นคนที่มีพลังกาลังมหาศาลนั่นแล้วก็คือคือแม้คนอย่างนั้นเนี่ยเป็นลมเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมแสดงว่าเรื่องนั้นต้องกระเทือนใจขนาดไหนเพราะจริงๆแล้วเป็นปกติแล้วเป็นคนใจเด็ดใจหิว ม, มากๆเลยนะแต่ก็ก็ย่างว่านะ เป็นคนที่รักพระพุทธเจ้าที่สุดอันดับหนึ่งว่างั้นเถอะในฐานะวิสัยปุตุชนปุตตชนด้วยกันเนี่ยการิื่อมใสอันดับหนึ่งก็เพราะถ้าหากว่าไม่ฆ่าพ่อจะต้องเป็นพระโสดาบันอ่ะศรัทธาของงานเฉียดจะเป็นโสดาบันอยู่แล้วันว่างั้นในวิสัยของปุตุชนนั้นผู้ที่มีความรักต่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาติศัตรูนั้นคนหนึ่งทีนี้อมตะพอพอระบายความร้อนไประดับหนึ่งก็เปลี่ยนราง เป็นรางที่สองพระราชาฟื้นก็ถามว่าเพราะนี่พวกเจ้าพูดอะไรกันเมื่อกี้พูดอะไรกันก็นเล่าให้ฟังอย่างนะบอกว่าสัตว์ผู้หลุดพ้นไปจากความตายนี่หามีไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้เจริญชนมายุเป็นเจติยสถานเป็นบุญยเขตเป็นแท่นอภิเศกเป็นาศาสดาของเราทั้งหลายปรินิพานแล้วณกรุงกุสินาราพระราชาพอฟังอย่างนั้นก็เป็น ฟีสันยีภาพสลบล้มเป็นลมไปอีกเลยนะปล่อยไออ่นลงจากรางของอร่อยทั้งสี่อย่างก็ได้ระบายความร้อนออกมาจากทั่วตัวเลยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยสงสัยหัวใจช็อกตายเลยนะช็ prayers, drawers, pper, life, ai, Gold, cuisine, อกตายหรือเราอกแตกตายเลยอย่างนั้นนะคือบางคนเนี่ยเป็นเป็นชนิดคนที่ชนิดรุนแรงมากเลยนะคนที่ที่มีความคิดที่รุนแรงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยพร้อมที่จะเป็นลมพร้อมที่จะอักเลือดขึ้นมาก็ได้พร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้นะไอความชนิดที่เรียกว่ารุนแรงเนี่ยนะ อมาม่าก็ช่วยกันยกเท้าเธอออกจากรางที่สองไปไว้ในรางที่สามเฟื่องขึ้นมาอีกพระลักษพวกนั้นก็ถามว่าพวกเจ้าพูดอะไรกันก็บอกว่าพระาศาสดาปรินิพานแล้วพระเจ้าข่าก็สโลปไปอีกนะอมาม่าก็ช่วยกันยกขึ้นอีกเนี่ยนะใครบ้างได้ฟังข่าวได้ปกติเนี่ยพูดโทนหนึ่งก็งปีติมากเลยลนี้เป็นลมเลยนะเพราะอะไรเพราะปรินิพานแล้วเนี่ยนะแปลว่าสิ้นแล้ว เมื่อพระเจ้าชาตศัตรูถ้าพูดแบบภาษาธรรมดาถือว่าเป็นหนี้บุญคุณต่อพระพูทธเจ้ามากมายเคยเรียกว่าแทบมันตัวเองแทบจะตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ตกนรกทั้งเป็นอยู่แล้วแล้วพระพุทธเจ้าช่วยชุบตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะให้ฟังธรรมอยู่สบายได้เจริญกุศลทําบุญอีกมหาศาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในบรรดาผู้ที่มีความรักในพระพุทธเจ้าพระเจ้าชาตศัตรูนั้นรักจริงๆเลยแหละเพราะฉะนั้นก็เผอินขึ้นมาเสร็จแล้วพระราชาก็จําได้ จำไ ด, เเมมำได้เข้าใจแล้วเเป็นลมมาสามครั้งแล้วนะจำได้เข้าใจแล้วว่าท่านพูดอะไรกันลุกจากที่ประทับนั่งสยายเกษาที่มีสีเหมือนแก้วมณีอบด้วยของหอมนอนทอดพระปริดแสดงก็คืนอนง่ายเลยแหละกลางวันหลังเหมือนแผ่นทองคําเอาฝ่ามือเนี่ยตบอกเลยแบบนั้นน่ะนอนงายก็คือนอนแผ่ตบอกตัวเองเลยว่าจัดพระอุระที่มีสีเหมือนผลตำนึงทองคํา ประเนองว่าจะเสียบด้วยนิ้วพระหัดอันกลมกลึงที่มีสีเหมือนหน่อกแก้วประพานทรงคร่ำครวญเสร็จแล้วก็เดินลงไปในระหว่างถนนด้วยเพศของคนวิการด้วยคนจริตกลายเป็นคนเพี้ยนไปเลยนะเพี้ยนไปเลยเท้าเธอเนี่ยนะมีแต่พวกนางรําที่แต่งตัวเป็นบริวารเสด็จออกจากพระนครไปยังสวนมะม่วงของหมอชีวกไปดูสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับแสดงธรรม ท, ที่ที่ไหนที่พระองค์เคยแสดงธรรมที่เคยไปเห็นเนี่ยนะ พระเจ้าชาติตรูกก็พร่ำปริเนวนาการซ้ำๆว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สัพพันยู่ประทับนั่งแสดงธรรมในที่นี้ไม่ใช่หรือพระองค์บรรเทาความโศกของข้าพระองค์พระองค์ทรงนำความโศกของข้าพระองค์ออกไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์มายังสำนักของพระองค์แล้วแต่บัดนี้พระองค์ไม่ประทานแม้คำโตตอบแก่ข้าพระองค์ ร้องให้เสียใจเนี่ยนะเที่ยวไปสถานที่ที่ตัวเองเคยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปร้องให้กลายแบบเรียกว่าไม่ได้คือไม่เรียบร้อยนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยกลายแบบคล้ายคนบ้า น, นะพร่ำเพอ้อไปตามที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์สดับมาในเวลาอื่นไม่ใช่หรือว่าเวลาเห็นตาม น, นี้พระองค์ให้ภิกษุสงฆ์มูใหญ่เป็นบริวารเสด็จเที่ยวจารึกไปณนะภาคพื้นชมภูทวีดแต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแต่เรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรแก่พระองค์เลยได้ฟังว่าพระองค์ตายเนี่ยมันไม่สมควรเลยจริงๆนะ แล้วพระ อ, องค์ก็ล้ำลึกถึงพระพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าสันเสริญคุณของพระพุทธเจ้าหกสิบคาถาคเครียกว่าอะไรนะคือค่อยๆ ค, คิดชมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเล ย, ยนะชมพระพุทธเจ้าหกสิบคาถาก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะเรียกว่าคําชมปฏิพานไหวทริปเกเยี่ยมมากนะคนฉลาดมากอยู่แล้วเสร็จแล้วพระ อ, องค์พระเจ้าชาติศัตรูก็ดําเดิว่าอะไรอะไรย่อมไม่สําเร็จได้ด้วยการปริเทวนาการของเรา ร้องให้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์เสียใจมาจนรู้จะเสียยังไงแล้วนะมันหมดใจที่จะเสียอีกแล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะให้คนเนี่ยไปเอาพระบรมธาตุของพระทศพลมาเนี่ยนะอยากได้พระบรมธาตุไว้บูชาก็ยังดีฟังอย่างนี้แล้วก็หายวิสันยีภาพเนี่ยหายเพี้ยนเลยตื่นขึ้นมาแล้วสางนะสางจากความโศกหายโศกแล้วว่าอยากได้พระธาตุมาบูชาแล้วกันนี้ก็เลยกล่าวว่าพระเจ้ า, าชาติศัตรูนั้นก็ สรงทูดไปนะนะส่งทูดบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์เราก็เป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเราควรจะได้ส่วนไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดอนะแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้ทําสร้างเจดีและฉลองพระบรมธาตุคือพระเจ้าอาชาติสทรูนั้นทรงทรงคิดว่าถ้าหากว่าพวกเจ้ามาละให้ก็เป็นการดีถ้าเขาไม่ให้จําเราจะต้องนําเอามาด้วยอุบายให้นํามาให้ได้แล้วก็ส่งกองทัพสี่เ่าไป เสด็จออกไปด้วยพระองค์เองไปด้วยตัวเองเลยนะนะยกกองทัพไปสี่เหล่าเลยนะสี่ทัพเลยยกสี่ทัพไปเลยแม้เจ้าลิชวีก็ส่งทูตไปเหมือนกันเนี่ยนะพร้อมทั้งกองทัพสี่กองทัพบรรดาศักริ์ลิชวีเมืองไพรสาลีได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วในเมืองกุสินาราก็เลยส่งทูตไปหาพวกเจ้ามาลในเมืองกรุกรงกุสินาราว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์เราควรจะได้ส่วนพระศรีรัฐาของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างเราจะได้ทําพระสถูวและการฉลองพระศริระของพระผู้มีพระภาคเจ้านะกษัตริย์กลุ่มที่สองก็ยกกองทัพไปอีกสี่กองทัพไม่ได้ก็ต้องสงครามก็ต้องต้องเอาละว่างั้นเดี๋ยวขอให้ได้พระภาตพวกกษัตริย์กบิลพัทก็สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานในเมืองกุสินารา ก็เลยส่งทูตไปหาพวกเจ้ามัละเมืองกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นพระญาติอันประเสริฐของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยควรจะได้พระศรีริท่าของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างเราจะได้ทำพระสถูปและทําการฉลองพระศรีริท่าของพระผู้มีพระภาคเจ้ากษัตริย์ถูลีเมืองอลากรปะก็ส่งไปนะแล้วก็กษัตริย์โกริยะเมืองรามขามก็ส่งกองทัพไปกษัตริย์เมือง เวผามณ์ผู้ปกครองเมืองเวททีปกะก็ส่งไปแม้กระทั่งกษัตริย์เมืองมละกษัตริย์มละเมืองปาวาก็ยกกองทัพไปอีกเหมือนกันนะสรุปว่ากี่กองทัพแล้วเจ็ดกองทัพรวมเป็นแปดกองทัพกับกองทัพของกษัตริย์เมืองกุศินารากษัตริย์พวกนั้นและพราหมณ์พวกอย่างนี้แล้วเจ้ามละกรุงกุศินาราก็ตรัสกับหมู่คณะนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าในปริณิพานในคาเมเขตของเรา เพราะฉะนั้นเราจะไม่แบ่งให้ผู้ใดส่วนของในส่วนของพระสริรละาธาตุของพระพุทธเจ้าสแสดงว่าพระองค์ประสงค์จะมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องแบ่งนะเพราะถ้าพระองค์แบ่งพงษ์ก็ต้องสั่งไว้แล้วใช่ไหมนี่พงษ์ไม่ได้สั่งอะไรเลยและพระองค์ไม่มีอะไรไม่อะไรสะแสดงว่าพระาธาตุของพระองค์ต้องอยู่ที่นี่แต่ที่เดียวว่า ง, งั้นไม่ยอมแบ่งเลยทีนี้อืมกษัตริย์เนี่ยมารวมกันเนี่ยนะ เตรียมรบเต็มที่ทุกคนเนี่ยยื่นคําขาดหมดเนี่ยนะเตรียมจะรบเพื่อชิงพระธาตุได้ยินว่าเจ้าเหล่านั้นตรัสอย่างนี้ว่าพวกเราไม่ได้ส่งข่าวของพระศาสดาพวกเราเนี่ยก็เลยไม่ได้นําข่าวมาแต่พระศาสดาเสด็จมาเองคือจริงๆเนี่ยทุกคนก็อยากให้ไปปรินิพพานในเมืองของตัวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีการส่งข่าวคราวกันเลยไม่รู้กันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวก ถ้าหากว่าท่านไม่ให้พระรัตนาที่เกิดในคามเขตของพวกท่านแก่เราธรรมดาว่าพระรัตนาที่เสมอด้วยพระพุทธรัตนะไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพวกเราได้พระรัตนะอันสูงสุดเห็นปานนี้จกไม่ยอมให้พวกท่านดื่มน้ํานมจากฐันมารดาพวกเราก็ไม่ได้ดื่มก็หาไม่ก็คือง่ายๆพูดง่ายๆบอกว่าท่านท่านก็เติบโตมาท่างก็ดื่มนมแม่มาเหมือนกันใช่ไหมข้าพเจ้าเติบโตมาก็เพราะดื่มนมแม่ก็แปลว่า ท่านเท่าพวกท่านเท่านั้นใช่ไหมเป็นลูกผู้ชายไอ้เรามันก็ลูกผู้ชายหนึ่งบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นลูกผู้ชายได้หรือเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการแบ่งให้ก็ขูคคำรามกระเหึมเนี่ยนะการรบก็เตรียมจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้ถ้าตั้งคำถามว่าถ้ามีการรบจริงใครชนะเขาบอกว่าฝ่ายเจ้ามาละกรุงกุสินารา จ, จะชัยชนะทําไมเพราะเทวดาที่มาคอยบูชาพระทาบเนี่ย จะต้องอยู่ในฝักฝ่ายของผู้ที่ น, นะฝาา่ายพระธาตุเหงือนกันแตพระอาพวกเทวดาอยู่ฝา่ฝายฝ่ายพระธาตุเพราะฉะนั้นก็จะชนะแต่ว่าจริงๆก็จะไม่มีการรบกันจริงๆเพราะอะไรเพราะอนุภาพของโทนตพราหมันโทนตพราหมเป็นใครทําไมจึงห้ามการแบ่งธาตุได้ก็ไว้พรุ่งนี้กันแล้วกันฟังต่อพรุ่งนี้กันแล้วกันนะ